ไปแค่คืบแค่ศอกแล้วก็กลับมาได้แต่ก่อนมันหลงไปนานจนเกิดอาการปรงุปรงแตงแต่งแบบนี้พอมันหลงวับเรารู้ทันกลับมาทันความหลงก็ไปไม่ได้เมื่อคองหลงมันไปไม่ได้ก็มีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวให้เรามาสร้างตัวนี้วิธีที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตัว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 ถ้าอ่านเดีแล้วว่ากินเลสแต่มันเป็นรูปหมาตัวนะึ้งเขาเขียนศินละปนะละเขาเขียนกินเลดมันก็เป็นรูปเป็นรูปหมาตัวนะึ้งอย่าปล่อยให้กินเลสเป็นรอยนวนลเขาเขียนอย่างนีนะ้หมายถึงความหลงเอนถ้ามันหลงเนี่ยดีมีประโยชนนะ์เพราะเราจะได้รู้สึกตัวดูดีดีดดสิ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 อาฆ่าผมมีความโกรธแต่ถ้าเราไม่เฉลยความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็ไม่ค่าความโลภความหลงก็มีฆ่าคามรู้สึกตัวเฉลยหมดค่าเลยเหลือศูนย์ไม่มีค่าแม้แต่จะโกรธก็โกรธไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าอะไรไม่ถูกต้องแล้วแต่รู้สึกตัวมันเหลือศูนย์แล้วเหลือศูย์แล้วชีวิตที่มันเหลือศูนย์ตั้งต้นจากศูนย์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 โดดตึกตายบ้างแนขนคอตายบ้างข้าตัวบ้างอกหักเสียอกเสียใจเพราะมันมีค่าแล้วของไม่มีค่าก็ไปทำให้มันมีค่าซึ้น่อแล้วก็ผิดพลาดอยู่แค่ไหยมันไม่มีจริงๆงมันคนหมอดี่หลพูดวนะ่ามันไม่มีค่าเราไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันไม่ใช่อ่ะลองดูดีๆดูกายเคลื่อนไหวไปมาโอ้มันมีตัวลู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 รู้สุกตัวหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปทำตามที่พระพุทธเจ้าท่าทายเอาไว้พระพุทธเจ้าท่าทายเอาไว้ว่าผู้ใดมีสติอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกตวันอย่างไวที่สุดอย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเกตเดือนอย่างชา้าหนึ่งปีถึงเกตปีจะเกิดนี่สองสองประกาศหนึ่งเป็นพระอนาคายบุคคลสองเป็นพร ะ, ะหรหัส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 ถ้าแม่มัโกรธไปบ่อยถ้าแม่มันโกรธบ่อยเราไม่ต้ตายหรอกเพราะว่ากันอย่างนี้เลยนะทุกเราโกรธพราะคนอื่นทํำไมเราโกรธมันเสียเปลี่ยบเสียเปรียบอ่ะเขาเน่ยไม่อะไรด้วยอะไรเขาทําให้เราโกรธ เ, เ, เ, เ, เขาทํ า, ท ใ, ห า, าทให้เราทุกข์ทำไมยังเป็นอย่างนั้นอุดรชนเนี่ย้อยทั้งลอยเป็นทุกข์พวกคนอื่นเป็นทุกข์พราวัตถุสิ่องอื่นทําให้เราเป็นทุกข์